ถ้าคำว่าเป็นวตารมันก็สมมุตินมันจะมีวีโตกอะไรอันนี้มันไม่อยู่ในนั่นมันอยู่นอกจากนั่นไปดู ท, ที่ร่างการหมดความหมายแล้วธรรมชาติที่รู้ยังไม่เห็นหมดความหมายในตัวเองยังรุ่ขนะงมันนั่นนะพาพสมมติว่าแสดงสมมุติขั้นสุดท้ายกับแยบนะ่ะ นั่นแลเรียว่ารอยเอซนีนีเก้าที่เก้าเปอรนอยู่แค่นั้นถ้า 99% ก้าอีกเก้าก็ไปเลยตอนที่เราใช้สมมุติคือว่าผมจะไปตดีวนี้จะเหลยปุงขึ้นมาเอาไปก็ไปวางกันตั้งกำหนดปั๊บเนี่ยนี่เป็นสม ม, มุตินั่นนะสม ม, มุติเข้าเกี่ยวข้องกันที่สม ม, มุติมันก็ ช่วยพยุงกันแทนที่จะช่วยไปก็ไปมันไม่ไปมีกําลังขึ้นมาเอาไปเข้าไปจิตเหมือนกับความรู้เจาะมันเข้าไปดีมันเป็นกิเลสของสมมุติทีนนี้กําลังก็จะเป็นสมมุติมันเป็นของเกิดได้มีได้ดับได้มันก็มีกําลังขึ้นมาส่วนสมมุตินึ่งที่มันมีกําลังขึ้นมาเลยไม่ตายเนี่ยกระซ่านออกมาส่วนจุลกาย สางมาตามเดิมสร้างออกไปแล้วตาก็เริ่มมองเห็นฝ้าฟางวะหมูก็เริ่มได้ยินทุกเวทนาที่ดับไปอย่างสนิดในส่วนร่างกายนี้ก็เริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆก็เต็มที่ของมันมีเต็มที่ําเดิมน่เรือเราถือได้กล้าพูดว่าคนเราถ้ามีสติอยู่เวลาจะตายจริงเนี่ทุกเวทนาต้องดับหมด น, นี้มันไม่มีสติอย่างนั้นเลยจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรส่วนหัวใจนี้แค่เก้าที่แปดเก้าที่แปดนี้คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วหนี่งส่วนร่างกายส่วนต่างนี่ปล่อยเขาหมดแต่ยังมีอยู่ที่หนมตรงนี้ที่คงกลางนีที่มันอ่อนมันเพียเพียอยู่ภายในนั่นเพียนั่นคือเวทนา ผู้คิยธนามันยังไม่ปล่อยตรงนั้นอันนั้นยังไม่ดับนี่ถึงว่า98พอพอดับนี่ปั๊บก็เข้าสู่จุด99ดังที่ว่านั้นพอพอร้อยกับผ่านมีมันมีมันเข้าถึงแค่98ตัวข้ใจผมมันกําเริมละมันเป็นอย่างนั้นมาหลายครั้งนะไม่ต่ํากว่าสี่ครั้งห้าครั้ง ถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปมันก็ลงคิดหลงทางไปแล้วแหละไอ้นี่มีอะไรธรมธรมดาธรรมะก็ดูความจริงดูด้วยแบบไม่มีหวังได้หวังเสียกับมันมันจะเป็นก็สนุกดูเลยวิถ้าดูแบบมีหวังได้เสียต่อกันอยู่นั่นนั่นล่ะสร้างเรื่องขึ้นมาส่วนมากก็เป็นเรื่องที่จะให้ขาดทุนศูนย์ดอกนะถ้าดูเป็นความจริงในหลักธรรมชาติ แล้วมันก็ไม่มีอะไรได้แต่เสียไม่มีหวังอะไรดิส nah. like ันจิมเวลามันมันมักแสดงอะไรก็แสดงเหมือนตามหลักสมมุติมันก็ทํานั้นก็จิมไม่เคยวิตกวิจารมันจะเป็นจะตายเไม่อยากไม่กินก็ไม่กินสิเท่านั้นะเน่ไอยากกินก็อยกินสิไปไม่ได้ก็อยไปสิเท่านั้นเคยไปมาแล้วนี่กินไม่ได้ก็อยากกินสิเคยกินมาแล้วนี่ มันไปนั่นเสียวฏิบัต้อนไม้ตามลมน่ะคุง่ก็คือไม่ต้องไม้ขัดหลักธรรมชาติไม่ปฏิบัติทำเองปฏิบัติตามหลักธรรมชาติรู้เลยตามหลักธรรมชาติเรื่องจะเริ่มมีเรื่องตัวเนี้ยทำกลัวไม่ยอมรีม จจมี่มนอางใส่จมเลยบหาที่นงี่นอนกันมนะัมีไม่ทำเยอะวุ้บปลูกมาตั้งยี่สกว่าปีแล้วอย่างนี้เต็มก่เวล า, าพักลายคนกันเลยพังสะดกวกคอยญากเหยียดกันนอนออกมาข้างนอกเต็ม นับแต่วันเกิดมาินกระทั่งบัดนี้ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของเรามีแก่กิเลสเป็นผู้มีอำนาจออกหน้าออกตาถุดลากกดแกว่งกายมาจาใจของเรา ให้กลิ่งไปตามหไหวไปตามอยู่ตลอดเวลามีล้วนแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังครองหัวใจอยู่เวลานี้นับแต่เริ่มแรกผู้บัตรขึ้นมาเราพูดในวงปัจจุบันของชาตินี้้นบัตรนี้ เราไม่เคยมีทำมาเรื่องอำนาจวาดฟันหันแหลกกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปจากใจของเราคงข้ามมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นเรื่องอำนาจบาดจิตบาดใจ รับความกระทบกระเทือนผลที่เป็นที่รวมลงก็คือความทุกข์ร่างกายไม่เป็นทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เป็นเรือนของทุกรังของทุกครั้งของทุกอยู่ตลอดเวลาไม่มีบกบางผลที่กล่าวว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหล่านี้้วนนแล้วแต่มาจากกิเลสทั้งหมด ไม่ได้มาจากธรรมเพราะธรรมยังไม่มีอำนาจพอที่จะขับไล่เหตุดันปิดทุกนั้นให้เบาบางลงไปทุกยังไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่พบกี่ขาดจะเคลื่อนไหวไปมาในกบกลาดหนึ่งหนึ่ง เพื่ออากับกิยาใดาๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ฉุดผู้ลากเป็นผู้บังคับขู่เข็นโดยที่เราเองไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนั้นด้วยเหตุ น, นี้เราจรึงควรเห็นโทษของมันแล้วพยายาม ที่เพ่งขวนขวายทางความท่าเพียนอันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อระงับดับทุกขึงเรื่องมาจากกิเลสค่อยเบาๆลงไปและดับไปด้วยความท่าเพี่ยนในด้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเลส นำกิเลสมาต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับเท้าไฟเสริมไฟให้มีกําลังรุนแรงขึ้นเท่านั้นการต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทยาได้ทําด้วยความประมาทนอนใจอย่าเอาวันคืนปีเดือนะถานที่นั่นที่นี่อันเป็นคนมายาของกิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจ ว่าค่อยทำเวลานั้นค่อยทำเวลานี้ค่อยไปทำสถานที่นั้นค่อยไปทำในสถานที่นี้ค่อยไปทำในวัยนั้นวนี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของจิเรศทั้งมวลที่ฉุดลากเราออกจากทางดำเนินเพื่อรปราบปรามมันโดยทา ย, ยว การที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้นอกจากศรัทธาวิริยสติสมาธิอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้เท่านั้นนี้ก็เรียกว่าเครื่องมือคือธรรมจะสามารถยังทราบเรื่องของกิเลสไปได้โดยลำดับ การเกิดตายแต่ละครั้งะังก็เหมือนกับกับเอาทุกเผาเราแต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งละหนนั่นแหละครั้งใดที่เป็นครั้งที่เราเคยชินต่อไฟต่อความร้อนนั้นๆไม่ปรากฏเผาเข้าที่ที่ใดจุดใด อ, อวัยวะส่วนใดต้องร้อนไปตามๆกัน ไม่เลือกว่ า, าวายะส่วนใดเป็นของกินชามได้เมื่อไรไม่มีความกินชาได้เลยขึ้นชีวดทุกแล้วแล้วการเกิดตายมากี่พบกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วทั้งนั้นไฟคือกองทุกข์คาคินาโตสักกีนามหักิีนาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่ มาแล้วด้วยกันจึงไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียตสกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าวนี้คำว่าพุทธังธรรมังแส้นังขะฉ า, ามิขอให้ทุกๆท่านคำหนึง่งถึงพระพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้ลือฟื้นทม ให้ปรากฏกระจ่างแจ้งที่ดวงพระไทยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุกใดจะเกินกองทุก์ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำหนึ่งถึงท่านถึงปฏิปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็น ศักขีพยานและเป็นเพื่องชักสูงจิตใจของเราให้มีแจใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้แจกดีเดตประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้โลกกว้างแคบอย่าไปคาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายโลกใดก็าตามพบใดก็าตามกำเนิดใดก็าตาม เึื่อนชื่อว่ากีเลศผิดขึ้นมาแล้วต้องมอบทุกขหรือจับทุกยัดใส่ในหัวใจดวงนั้นพบนั้นกำเนิดนั้นมากน้อยจนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้โดยสิ่งเชิงให้ตกค้างอยู่ในภูมิใดรภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิของฝืนของไฟเจือปนอยู่ด้วยทั้งนั้น โรงสอนอย่างลงถึงจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกได้แก่วิมุธผลิภานี้โดยไถ่เดียวดังท่านสอนพิกษุบริษัทแต่พาะอย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมท่านเอกคงได้ก็าตามเมื่อบวชเข้ามาแล้ว สอนให้พิจรารณาจุดสําคัญที่เป็นเครื่องรัดลึงของจิตและเป็นจิตไม่เลเป็นจุดที่จิตมีความรักให้ชอบใจสงวนมากที่สุดจิตสงวนมากเพียงไรก็คือเรื่องของกิเลสมากเพียงนั้นท่านจึงสอนให้คลี่คลาให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันซ่อนตัวอยู่นั้นเมื่อความรักสงวนจนกลายเป็นฉัน าตยานขึ้นมาว่าเตสาลูมานาขาทันตาตะโจนี่จุดที่พิเดส ร, รวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สิ่งอื่นยังพอทํหนา้าสมบัติสิ่งของบริษัทบริวารญาติมิตรหายเพื่อนฝูงต่างๆยังมี เวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลือกันไปได้ทรัพย์สมบัติมันทองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกายนี้มันฝังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่าหลับตื่นลืมตาอะไรจะเลือกอะไรได้หรือไม่ได้ก็าตามแต่ความตีกันไวอย่างแนบกะนดติดกันจนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทาน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 นั้นคือเรื่องของกิเลสความสว่างเพื่อส่องให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจณาเอสารลมานาขาทังตาแตจูจะเป็นอวัยวะหรืออาการใดก็าตามขอให้เป็นที่ถนัดใจเถิดเมื่อพิจรณาจับจุดใดแล้วจะเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งร่างกายอันนี้ เช็เดเนียวกับไฟได้เชือ้อจะค่อยลุกลามไปลุกลามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องสืงสางราบเข้าสู่ภายในจนตลอดตัวถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบังลี้รับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิการณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขยายตัวออก โดยลำดับลำดาความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลำดับเช่นเดียวกันเมื่อความจริงได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดทอนกำลังของมันลงไปโดยลำดับทันจึงสอนให้พี่แจงาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความจริงด้วยกันเป็นมากเหมือนกันหมด ถ้าพิจารณาให้เป็นมาถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายใ น, นเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้นายช่างเองกันสาคัญผลิตกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทำนี้ทานานในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุ น, นี้ทำซึ่ง เราจะผิดขึ้นมาใหม่จิงต้องได้อาศัยความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถจนหลายครั้งหลายหนความทำนิชทานาก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่ไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับลาดาแห่งความเข้าใจของการพิจรารณา นี่คือคือดับไฟดับวัตจักรดับที่ตรงนี้เวลานี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นข อ, อกลวดลายเต็มตัวของหมังรอบอกิตแสดงอาการออกมาอาการไหลล้นแหนะแต่เป็นอาการของกิเลสอาการของธรรมแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลัดปัดทิ้งหมดด้วยอํานาจของกิเลสต่อเพศต่างๆ จึงต้องน่าอาศัยความพยายามให้เต็มปติกกำลังความสามารถเพื่อทําจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิธรมหรือสมาาถะทำเป็นต้นใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองพืนกองไฟตลอดเวลาโลกจะ ก, กว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้หาผาบจิเลศ นี้เท่านั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสําคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสัยในโลกกรากว้างแคบขนาดไหนหรือลึกตื้นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมติแต่ละอย่างละอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวก่อแล้วสิตนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเราสําคัญที่ไกล มันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชานี่เป็นของสำคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่คำหนึ่งถึงความลึกตื้นหนาะบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นเลยมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจะไปคำหนึ่งคำหนึได้อย่างไรมันฝึกวิสยัยที่ว่าเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหน า, นานแน่นมากน้อยเพียงไรมันแสดงตัวขึ้นมาอยู่ได้ อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจกล้าหารเมื่อกําลังสติปัญญาของเรายังไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดีอย่าปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สําคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกให้ถือเป็นกิจเป็นใจเป็นชีวิตหรือเหนือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นมาเอง ความพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงภ า, ายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกเป็นจุดที่โปรงวางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภ า, ายในจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอาโลโกวดาปานคือสว่างห้าไปหมดปล่อยวางได้หมด ดางธรรมจักรกับปวัฒนสูตรท่านแสดงว่าญาณาังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิจจาอุดปาดิอาโลโกตุปาดิดอนุกรรธิสูดทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นเสรยแล้วคือญาณังยานอันละเอียดแหลมคมที่สุดได้ทราบสร้างขึ้นแล้วภ า, ายในพระถ่ายของพระองค์ ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้ววิชาความรู้แจ้งแทงกระุได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลโปูดปาลิความสว่างกระจ่งแจ้งได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มดวงแล้วภายในใจนี่เป็นที่นี่เป็คือที่ปรองวางของกองทุกทั้งมวลจากดแดนโลกธาตุก็ตามมาปรองที่ตรงนี้ปลอยวางกันที่ตรงนี้ ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำว่าเลิศ ม, มีแต่ความมาเหลวความมาเหลวเพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเลวซ้มเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเกาะจิตดวงใดเข้าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เลวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวง เป็นจิตที่หาความจริงไม่ได้เต็มไ ป, ไ ด, มปมด้วยความจำปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจาปลอมของตนจึงจิตทั้งดวงจิงกลายเป็นของปลอมไปตามๆกันหมดแสดงออกแต่ละอากับกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันลอกกันลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดไม่ละถูกกิเลสต้มตุนมาตั้งแต่กับโดกันไหน ทรามพระพุทธเจ้ามาประกาศโกนวุวาโซฮิมานันโดนิจจังปัจจุิเตสติอนนากอานกะเลนะโอนาาัฐาปฏิฏังนักเวสทะก็โลกสันมิวา่านี่เดือดร้อนไปด้วยไฟราคะตัสามหะเผารนกิจใจอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายยังเพลิดเพลินหาอะไรหัวเลาะ ก, กันหาอะไรทำไมจึงไม่แสดงไม่แสดงหาที่พึ่งนี่ขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นตัว ทำท่านประกาศกลางวานขึ้นมาเช่นนี้ยังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะเป็นเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความนิเสธวิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เล็วมากเพราะกิเลสตัวเร็วมาก มันฝังใจใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งๆที่ใจนี้พร้อมับวิเศษที่สูงด้วยการเรียกร้องความเพวเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราให้กินให้จังนักปฏิบัติเราอย่าไปคิดสงสัยในแง่มรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนไหนการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิดผิดกองทุกขึ้นมา มันผิดที่ตรงไหนราคะความกำนังยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนอคืความเกลียดความชังความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแฉนขุ่น ม, มัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พึงทราบว่ามันเกิดที่จิต ด, ดวงเดียวนี่เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่ก่อควรให้ได้รับความลำบากดูไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดั่งคำ่ำคืนอย่างลุ่มและเอียบบทต่างๆไม่มีเวลาเวลา ตรงวางจากฟืนจากไฟที่เผาลนตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามต่อคืดปฏิบัติกําจัดมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่ขันยาก็เป็นขนาดที่ถูกต้องสําหรับโรคที่จะทําให้สงบและหายไปได้โดยลําดับลําดับ ไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระ ง, งับดับทุกข์ได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีนี้จุดนี้แห่งเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องศกระปกจอมปลอมทั้งมวลนี้ออกไปโดยลาดับเถิด จิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของจริงที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนไหนในเวละที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตข้งเราปลอมทั้งดวงปลอมเพราะกิเลสตัวปลอมนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาเคลือบมาแฝงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าจะตายจริงๆก็เอาความรื่นเรงมันถึง มาลอดสักนิดหนึกนิดหนึนนน่งพอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็เอายาพิดฝังเข้าไปฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสลบสลายจะตายจริงก็มีอะไรมาลอดสักนิดหนึ่งหลอกไว้หลอกไว้อย่างนั้นแหละนี่คือคนมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสแหลมคมขนาดนี้ให้ท่านตั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจ เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นจตยังว่าเราไม่ทราบอุบายวิธีการของมันว่ามีความเจ้าเล่ห์ฉลาดแล้มคมเ่าเพียงไรจึงได้ครอบหัวใจเราแล้วไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุ๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าเกลียดไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้นล้วนมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้ง การแรนะนําต่างสอนของพุดสืเจ้าทั้งวิธีการที่เรานําไปประพฤปฏิบัติเพื่อทำใจที่เละเป็นความถูกต้องลีงาเป็นของจริงไปโดยลําดับยกตัวอย่างเช่นร่างกายที่เละมันเศษมันสันตันยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักให้ชอบใจเป็นเราเป็นของเราทุกทุกประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกๆอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมว่ามันสวยงามไหม แล้พิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนร่งคายนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกับคําที่ว่าสวยงามกับคําที่ว่าดีรังถาวรกับคําที่ว่าน่ารักใกล้ชอบใจเป็นไหนไหนเมื่อทําสอดแทรกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงขี้เงือที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยขี้เงือกขี้ใครแล้ว ทะลกุออกดูที่หนังภายในนั้นพลิกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วคนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นเพราะทะลกหนังพลิกข้างนอกออกมาข้างใ น, นแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็าตามเราดูได้ไหมนี่เอาทำเข้าไปจับดิคาว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามไหมเอาทำจับเข้าไปมันสวยงามได้กี่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไป ในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่มันจอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นว่าเป็นของเสงอ่อมะมันยิ่งเยิ่มเพรด้วยของปฏิปูลโสโคกตามหลักความจริงทั้งหมดเม <c oughs> ื่อจิตของเราได้อย่างลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่นสําคัญตนไปตามกิเลสได้อยู่ได้อย่างไรมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงกันแล้วหา ความเป็นจริงดังที่เกียรติเสกสรรปัญญานั้นไม่มีเลยในอาวุธทุกส่วนหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครเป็นเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิดทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ตายก็เหม็นคลุ้งอยู่ภายในตัวนี้อยู่แล้วจึงต้องช้าต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอาดเยียงไรก็ตามเมื่อร่างกายนี้ได้คลุกเคล้ากับ สิ่งนั้นนันแล้วจะกลายเป็นของโสกปลกโสโครก้งหมดไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยตะบงกีวอดเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ชะได้ล้างไปหมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาโสกปลกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวโสกปลวกโซมมอยู่หรือปัญญาอย่างลงไปนัดปฏิบัติยาถอยจากตรงนี้ตรงนี้นะเป็นตรงที่อกองทัพใหญ่ของกิเลส มันมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแปรทับจับอยู่แล้วกองทับอย่างทับกิดทั้งเราอยู่ที่นี่ด้วยมันผิดขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็เป็นกองทุกทับหมอใจของเราอยู่ตัวกิเลสจริงๆนั้นเดี๋ยวว่าเป็นกองทับเป็นผู้ผิดเมื่อผิดขึ้นมาแล้ ว, ลวก็เป็นภาระหนักทับหมอใจลงไปด้วยความทุกข์ความเริญมาเป็นของดีแล้วหรือเรายังไม่เฉ็ยดไม่ลาบอยู่หรือเรื่องกองกองทุกที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยัง ไ, ได้ถูกกดขีบ่บังคับ ด้วยมาไม่มีเวลาที่จะปลดเปลื่องตนเองจากสิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันดุจพ้นจากทุกเป็นอิสระเสียดีและเป็นความประเสริฐหมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นทพิว่าสมมุติในสามแดนโลกฐานนี้ได้สิ้นสุดยุติกันลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุโทโธนี้แล้วเราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉาย วิริยธรรมถ่ายลงไปความภาคเพียรอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความที่เกียจขี้ค้าดอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบืนตัวเองพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภากเพียรทุกแง่ทุกมุมกองกันข้ามเป็นเรื่องของกิเลสยามาให้สนิทติดใจฝังจมอยู่ภายในตัวเองแล้วจะกดขีดตัวเองลงไปหา ความบุญพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรท่านยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสณะให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสําคัญหลักธรรมนั้นแหลจะเป็นองค์แทนของาศาสตาโดยไม่ต้องสงสัยภายในจิตของเรานี่แหละทั้งฝ่ายเหตุคือการดําเนินก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจับชายจีวรของพระองค์นั่นแหละ จนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นตถาคตอะไรเป็นศาสตาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีคําว่าการสถานที่พระพุทธเจ้าสถะพระนิพพานอยู่ที่โน่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนอันเป็นเรื่องของสมุติความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัย ถ้าจะสงสัยพริชาที่ไหนเราจะไปคิดไปสอ ะ, ะแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตาย ท, ท, ที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมดความกังวลวุ่นวายสายแสต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้เรียกว่าเมืองพอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วย่อมพอ สนใจกับสิ่งใดๆทางนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็นในรู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันมเห็นในรู้เรื่องของของมันสถ า, านที่การเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปให้ความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเองเมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ไปให้ความหมายอย่างชัดเจนรอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตมีจิต บริสุทธิ์พอตัวดวงเดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้าบนบกที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ําไม่ใช่สิ่งสมมุติทั้งมวลแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติแห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริฐที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนี้น่ะ เอาพี่น้ยเห็นที่นักปฏิบัติทำไมจะมารูให้ไม่เห็นทำมีอยู่วิธีการาทาธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่ําเนินไปปฏิบัติไปครอวาจารพูดแนะนําสั่งสอนก็มีอยู่แล้วไม่ได้ลูกๆคำคำที่ไหนมีตนมีตัวมีสักขีพยานทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งใน ฝ่ายผูกมกัดมักฆะอาริยสัจจังฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนก็เป็นสักขีพยานอันนะึ่งนีโรดความดับทุกดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขิพยานได้อย่างเป็มตัวดับสนิทก็เป็นสักขิพยานได้อย่างสนิทในความหลุดพ้นเอาให้ยิ้ให้จัอย่าไปเห็นงานใดมากมีความสําคัญมากยิ่งกว่า งานท้าเกี่ยวตักายตนให้หลุดพ้นจากทุกข์งานนี้เป็นงานสําคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลือดงานกระเสืิดงานอัศจรรย์แต่สามโลกไม่อยากทํากันเพราะกิเลสไม่ให้ทำํำกิเลสกีดกันไว้หมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุกมุมที่ใช่พาดจากทำไปสู่อํานาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุ น, นี้ผู้ทีจปฏิบัติธรรมจึงต้องเล็กรบ รากันกับกิเลสความขี้เกียจที้ค้านก็เป็นกิเลสความทอดแท้อดแอะก็เป็นกิเลสความน้อยเนื้อต่ําใจว่ามีวาสนาน้อยก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีวาสนาก็เป็นเรื่องของกิเลสความสําคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้นขรั้งนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พึ่งพากันทราบเดี๋ยวนี้ เรวนี้เป็นอุบาสของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบคลของมันมันอยู่ข้างหลังเราตาเรามองไปข้างหน้านั้นเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับปุณญาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมันแล้วฟัดกันลงให้มันหงายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันมีจะมันเอาเราหงายท้องขึ้นฟ้าอ่ะไม่หงายขึ้นฟ้ายัางไง ล้มลงหมอนดังครืนคืนได้ไม่นี่หมอนแตกแล้วเอาท้องไปไหนาทาไมหายขึ้นฟ้านั้นละกิเลสมันฟาดเอาขี่ี่เกียจขี้การนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ในการต้มถึงของกิเลสกลอมมาโดยลาดับลาดามีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้คนอุบาทของมันแล้วเข็ดหลับกิเลสไม่ทํา คนให้เฉดในกลโุบายของมันง่ายๆนอกจากธรรมเท่านั้นเข้าไปแทรกจึงจะเป็นคู่แข่งกันแล้วปราบกันได้โดยลำดับลําั บ, บเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจรึงเป็นท่าสึกกันเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคําว่ามารก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราธรรมก็เป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทําไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนธรรมเพื่อผิดธรรม ท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติทางเพื่อผิดทำถึงนายทาไมจะผิดไม่ได้เล่าปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหวังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตาตาเหตุโนนนาโถถึงข่าวจนเกล็ดเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มขู่สติปัญญาศรัทธาควาเปลี่ยนนั่นแหละเราจะได้เห็นผลแห่งอัตาตาเหตโนนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างนี้นั่นมันรู้เวลาเข้าจนเกล็ดเป็นมุมเราไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดแล้วจะมาช่วยเรา สติปัญญามีเท่าไหร่ก็ฟัดกันลงไปฟัดกันลงไปมันนะักเป็นไปเองคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายอยเฉยไม่ยอมจนกรอกเฉยมันนักมีอุบายวิธีที่จะทิ่จะค้นจะหลบหลีกปีกตัวเอาจนตัวรอดไปได้คำว่าอัตอตหินตโนนาโตให้นำมาใช้ครูบาอาจารย์เป็นที่เพีงพู้แนะแนวทางให้คนนั้นพระพุทธเจ้าทา่านจัดไว้ว่า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 ทำไมจะว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปไหนมาไหนถ้าอวัดองค์แทนศัสดามีอยู่กลางลานอยู่กับหัวใจของเราทําไมจึงไม่นํามาแก้กิเลสแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหนกิเลสในครั้งบุญการเป็นกิเลสประเภทใดหน้าใดวันณะใดเกิดมาจากสกุลใดมันเกิดมาจากสกุลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดองออกมามันเหยียบย่ำทาลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันหมด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 กิเลสกับธรรมไม่อยู่ห่างไกลกันจากจิตดวงเดียวนี้มีจิตดวงเดียวนี้เป็นที่รับทั้งธรรมทั้งกิเลสถึงพยายามใช้นําฝ่ายมากมาใชา้ในสัจธรรมนั้นฝ่ายมากก็มีสองฝ่ายแก่มีสองคือนิโรธมากนี่ีเป็นฝ่ายแก่ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปราบปรามนี่เป็นเรื่องของมากทุกสมุทัยเป็นเรื่องของเิเดลสเป็นเพื่อนผูกมัดก่อให้เกิดในวัตฏะสงสารไม่มีประมาณส่วนนิโรธกับมากนี้ เป็นสิ่งที่พี่คลรเขาย้ายออกมัดแน่นเขาอะไรถอดถอนแก้ไขเอาให้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจดูที่ใจดรงนี้ทั้งนั้นพันว่สสัจจะทมคือของจริงเอาให้จริงอยาได้คำนึงกำนวนถึงวิลาเวลาเดือนปีนาทีโมงที่ไหนอิเลตมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีเวลาเวลา มันหาเวลาเชา่าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าชัตินี้ที่ไหนเวลาเราหากิเลยอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนเวลาจะประกอบความภาคเพียนทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนาเป็นความลําบากลําบนนี่ก็แพ้กลมายางพิเลยผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องกลมายางพิเรย์นี้แล้วจะก้าไม่ออกต้องเอาให้จริงขห้จ่ายหรือถรุปความนองก็คือว่ารู ป, ปักขั้นโทเวทนาขั้นโทฉันอยากขั้นโท เป็นสําคัญเนี่ยเป็นที่ส่องสมของกิเลสทั้งมวลร่วมอยู่ที่ตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานแล้วก็จิตจิตเป็นตัวการสาคัญใา้พิจารณาลงตรงนี้จะพิจารณาขันไหนก็ตามขอให้เป็นมัจเป็นวิธีถอดวิธีถอนเถอะพิจารณารูปหญิ้มรูปชายรูปจับรูปบุคคลได้ทั้ง น, นั้นขอให้เป็นอุบายของสติปัญญาเพื่อถอดถอนความมึนงงของตนเป็นอันว่าไม่ไผิด เราอยากให้หมู่เพื่อนรู้อยู่ให้หมู่เพื่อนเห็นสอนอะไรสอนอย่างถึงเหตุถึงผลถึงพลถึงพิถึงชิงสอนเต็มที่กำลังความสามารถแม้จะลำบากลำบุญหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยหมู่เพื่อนของสามหมู่เพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงไปตามสุขภาพไม่ดีนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสเมื่อไรพอเห็นว่าสมควรที่จะแนะนำสัางสอนหรืออบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่ลดละ สมกับว่าได้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วที่ขอสแสดงหาครูาอาจารย์ที่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูว่าอาจารย์เป็นที่ถึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพ่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปนี่เราก็เห็นใจพราะหาที่ยึดที่ก่อนนี่เป็นของสําคัญใจไม่ได้เกาะ อ, อะไร เป็นผู้มุ่งต่อทำและต้องเกาะครูเก็ะอาจารย์ก็อาจเกาะทำที่ถูกต้องในงามและใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องในงามพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสําคัญจึงต้องอส่อแสวงหายิ่แต่ละดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก็เดิทนเอารลบเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสํานักก็ให้ได้มาพักอบรมชั่วการชั่เวลาแล้วผ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่สอนด้วยจากหมู่จากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอบดีดีงามแล้วไปพูดปฏิบัติ เพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือจึงได้อุตสาห์พยายามแนะนําสั่งสอนและรับหมู่เพื่อนไว้เสมอการรับไว้รับโดยน้ําใจเพราะฉะนั้นคําว่ารับไว้จึงมีความหมายันหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายของตนที่รับไว้นั้นโดยสม่ําเสมอหากว่าทักขันพอเป็นไปได้ไม่เคยละไปปล่อยวางตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านขอให้หมู่เพื่อนเนี่ยต้งเห็นใจตัวเองว่ามุ่ง มาศึกษาอบรมกับภูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไงให้นําไป ป, ปฏิบัติย่าทําแล้วหล่อแล่ๆเหลๆเวๆหลายๆอันปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดลไม่ใช่เรื่องธรรมของจริงที่จะพาเราให้หลุดพ้นไปได้ธรรมอันอใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้นให้พยายามหนักเบาไม่ต้องว่าอืมเราจมอยูในกองทุกนี้มานาขนาดไหนแล้วความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันยุติได้ เมือ่อถึงการเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความภาคเพีเยรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความภามคภาคเพีเยรใ น, นระดับสนุนเราให้หลุดพ้นก็ได้เพราะอํำนาจแห่งความเพียพรพวามอำนาจแห่งความทุกข์เหล่านี้ทุกในวัฏสงสารมันอุดหนุน เ, เราให้เป็นุงามความดีให้ได้หลุดพ้นจากทุกข์ที่ตรงไหนแต่เราทําไมาจึงไปชอบเราจะไมจึงจึงจึงไปตาใจกับความทุกข์เราที่ขี้เลียดมันผิดขึ้นมานั้นอั น, นาังหนาไม่ยอมเห็นโทษมันแม้แต่นิดเดียวเลย เห็เวลาเราพ่อเป่ความภากเพียรทำไมจึงให้กิเลสมนหลอกได้ว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่กล่าวมาแล้วอํานาจน้อยวัฒนะน้อยสติปัญญาไม่มีนี่มันหลอกกันทั้งนวนหลอกเราแล้วยังจะยอมให้มันกล่อมอยู่เหรือเวลานี้ทํากังวาอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่กูบาจารยำและเราได้เรียนได้ยินได้ฟังมาทําไมจึงไม่ให้แสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ท้านทานกับกิเลสถ้ามันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยคนามหนังทะลอะก็ยังดีคราวนี้หนังทะลอะ ขาต่อไปเลือดเดิมขาต่อไปเอาขาดสะพานไปเลยเดิมดับดินเหมือนหนักเข้าไปอยู่เหมือนนัน้นบรรลัยไม่มีเหลือภาย ใ, ใจนั่นนหะทรงอับทรงธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นมีสาคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องของส ม, มุติธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุดโธแล้วไม่มีคําว่าเกิดว่าตายเหมือนทั้งโลกสมมุดทั่วไปนั่นละหมดปัญหาหมดขันที่หนงนั้นขอให้ทุกท่านนํามาพิสปฏิบัติกําจัดตน จากสิ่งที่มันบีบบังคับทั้งหลายอยาไปคุ้มกับสิ่งเหล่านี้คล้ายๆจะคุ้มก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุณผู้วิเศษไม่ได้สอนให้คุณผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุณคนโงต่ต่างหาหลอกลวงกันปไปตามยถากรรมมืดบอดเพราะมัมองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันข้อ น, นี้ถึงจะเอาเรื่องความโง่เขลาบาปัญญาความติดจมอยากิเลส่ดนี่มาพูดมาหลอกมาลวงกันอันนั้นดีอันนี้ดี หลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดทั้นตนศาสดามีอยู่ให้อาศาสนาเข้ามาเป็นผู้กํากับมาเป็นผู้ชี้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวูดทางธารมสถานกษาตริยนี้เล่งอัตธรมมินหนให้ดีเอาไปปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่ด้วยกับด้วยความหลอกคนมายาขงเกตท่า น, นอยู่มานานแล้วใายๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายาม ถ้าเกี่ยวตั ก, กายให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมานเสียเท่านั้นเราจะมีความผาสุกความว่าความทุกขความทรมานในการต่อกรความเพียรจะขาดสะ บ, บั้นประจำนีที่ขณะที่กิเลสมันขาดสะ บ, บั้นออกจากใจทุกข์ทุกเพื่อเพื่อความเพียรทุกเพื่อแก้กิเลสเป็นอะไรไปทุกเพราะกิเลสมันก็เคยทุกมาแล้วนี่จะเอาทุกเพื่อแก้กิเลสจะเป็นอะไรไปต้งเอาอย่างนี้เข้าสู้กันสติปัญญามีพิจิรเปลีกยนแป ง, แ, ป ง, แ, ปงแก้ไขตัวเอง กิเลสมันหลอกมาตรงไหนอืมมันหวานล้อมาทางไหนเพลงของมันกล่อมมาอย่างไรเพลงของทํากล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันให้มันหลับสนิทตายจมสมุทรอย่างนี้เราพ้นจากส ม, มุทรไปไม่ดีเหรอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่กระดูกพ้นต้องใช้นำมาใช้โดยสม่ำเสมอทัติปัญญาเป็นสําคัญอย่าลืมทํำนี้อย่าคอยไป่รับเวลาว่าให้สมาธิเป็นอย่างนั้นนี่ซะก่อนแล้วคอยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัญญามันจอ้าว ถึงข่ง้นเป็นคนปาหรือผู้มีจิตอันสงบได้บาตโดยฐานพอเป็นความยิ่มตัวของใจแล้วเอานํามาพิจารณาแยกแยะ ด, ดูข้างนอกข้างในเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอสุภอสุภามปฏิคูลโสโคกเป็นของสําคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามรบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้มันแหลกที่สุดมันแล้วจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกับเรื่องที่เดือดรหาราคะอะไรตัวนี้มันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแห่งอสุภะอสุภามซึ่งปัญญามิเศษ เนี่ยเป็นผู้กำจัดป่าเต่าลงไปโดนดับจะมาทั้งหมดไปโดยสิ้นเชิงอปตอไตนี้ท่านปัญญาทีมายเพราะคนมันมะีนะความขี้เกียจขีคค้านความไม่เอาไหนเ่มันมีนะนหนัก อ, อกมากนะจิตเ่า น, นี้เป็นจิตจำเป็นของด้วยกันทุกคนข้อว่ารปฏิบัติจนรวม ทันนี้มันไม่ค่อยสบายก็เลยไยมไม่ค่อยมาเกี่ยวข้องถ้าทำเหมือนอย่างแต่กว่านมั น, น, มนมจับก็จนได้นะขาหนังคาเขาเนี่ยมีทําได้ทุกแง่เน่ะพราะคิดได้ทุกแง่เน่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนกับวงส่วนรวมมันเคยมาคิดมาได้เนี่ทําไมจะไม่รู้ผู้หนักหนักจะตายผู้สบายสบายจนเน่ามีนะ แล้วการปฏิบัติกับอะไรก็ให้ดูตัวเองนักปฏิบัติอย่าไปเข้าใจว่าคนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของจิตเด็ดมันจะออกทําลายเจ้าของและทาลายหมู่เพื่อนดังที่เคยพูดมาแล้วนะั่นแครต้องแก้ดูกระแสของกิตที่มันชี้ออกไปเสมอเสมออย่าคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเข้าไปมาแล้วก็กจะเข้าใจเราจะของดีนั่นะ เป็นเรื่องของทีเหลือขึ้มาแล้วเหยียบทับถมหมู่เพื่อนไปอีแล้วกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนอีกแล้วน่กราะนั้นใครให้ดูเองตรงนี้นต่างคนต่างปฏิบัติเพื่ อ, อเพื่อทำอยาให้แต่ละคนกระเทือนกันแต่ยัขงขาดเรื่องนี้ต้องยากมากที่สุดแล้วให้ดูสิ่งไหน ท, ที่ควรควรวเวลาเกี่ยวข้องอยูด้วยกันอย่าให้เด่นหนักใจต่อกันในเรื่องของวารปฏิบัติที่เป็นของหยาดหยาดที่เป็นของทั้งพันอันหนึ่งที่จะเป็นทางกระเทือนกันได้อย่างน้อยกับการจิตใจน่ มากนั้นก็ออกมากระเทือนภานอกเมื่อกี้เหลือมันมีคก็หนามากขึ้นมาแล้วมันก็หน้าด้างไปละกระเทือนกันได้อ่าเรือห ล, ลักนึ่องจนั่งนั่งนั่งเก็บตรงน่้